เริ่มปวดปวดปว ด, ดปาด น, น้ำตาจ ะ, ะไหลแล้วในวันแม่วันแม่ปีที่แล้วใครเสียน้ําตาปีแล้วเสียน้ําตาปีที่แล้วอก็กำลังพูดถึงวันแม่โยมแม่มัไปไม่เป็น เป็นนึกถึงคำพูดของยมแม่พอตอนเด็กๆเป็นคนป่วยไขกระเด้งเอเออเด็ดแต่งเลยก็ อ, อยู่เกี่ยวกับท้องถ่ายจนนี้อะไรจะถ่ายถ่ายเป็นน้ําแม่ก็รล่าใหฟังแม่สงสัยเอมันทําทําไมพ่ออะไรจนนี้อะไรจะออกหรือเป็ น, นแม่ก็เอาเนื้วไปแตะ เสาแสลียนตัวเองคำนี้แหละอึกเลยไปไม่เป็นดูด้วยโอโหความรักของแม่เราไม่เคยรู้ตอนนี่เด็กแล้วก็หลังจากนั้นสิบกว่าขวบก็ไม่ได้อยู่กับแม่นะ่คือบวชพอบวชเสร็จก็ไม่ได้อยู่บ้าน ไม่ได้ปฏิสบันกันนานๆไปเจอที่มาอยู่ปี่เชียงใหม่ปีส่วนว่า117แม่เสียมมื่อายุประมาณวัยรุ่นนะั่นลังจากนั้นอีกสิบกว่าปีไม่ได้กลับบ้านนะอยู่ทางเหนือนั่นะสิบกว่าปีไม่ได้กลับบ้านคือกลับไปไม่มีให้เหลือแล้วทําไมให้เราเจริญมาศิละกรรมมากไปหรือเปล่า คือถ้าไม่ตัดมันก็ไปเด็กก็เกิดกังวลแต่จนแม่ไม่ได้ห่วงอ่ะแกเป็นคนวัดคนไล่แล้วไปจะไปวัดแต่เช้าแต่วางพอวันโบวชก็ที่ได้บวก็เพราะว่าวันหนึ่งแม่ไปวัดไม่ได้วันนี้คือวัดตลาก็แต่วัดบางเข้าไปทุกวันมีวันนั้นแม่ไปไม่ได้เพราะว่าจิตโทตระอะไรอย่างว่าเอาเป็นตัวให้บอก่ถ้าไปแทน พอไปแทนพอถึงวัดเดีย่ยวๆก็ไปก่อนมองหลวงพ่อท น, น้อยบวชไห่ครับแม่มันง่ายขนาดนะ้บุดูความเกงใจด้วยอะไรก็เลยเป็นตุงไปเถอแล้วไม่ได้กลับวัดเลยบวชง่ายอย่งางแต่กันั้นก็นมาก็เลยความผูกพัน์เลยปฏิสนธิทางกับเจ้แม่ก็ห่างก็หายไป ตอนนี้ก็จากบ้านมาก็ร่วมห้าสิบปีแล้วมั้งจากบ้านมาปัจจุบันแค้สองปีหนูก็มาอยู่ทางเหนือตลอดไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเป็นคนเหนือหรือเปล่าอาศัยแค่ไปเกิดเท่านั้นเองขอปูกพันมันก็น้อยด้วยที่มาครูบาอาจารย์แต่ละรูปยายก็ขึ้นมาทางเหนือหมด คยใส่เกิดแต่เวลาปฏิบัติจริงขึ้นมาทาั้งเหนือกับทุกทุกที่ว่ายนันรูกแยงแก่ปูมันไปเป็นมาคุณจะตามกันมาปูมันปูเทิดปูเทศดสิเ็ดภาษาก็ตามปู ม, ม, มันเข้ามาทูคุปมปกคงมาส่วนใหญ่ก็จะได้ ท, ทําทางเหนือส่วนใหญ่หลวงปู่ซิมเราก็ได้คอยเป็นที่มาท่านจะกลับไปบูรณะใหม่ล้วก็รับผิดชอบ ไม่คอยวัดเรารับผิดชอบมาตลอดตั้งแต่เราปวดทองสุขไม่มีรูปสุขขรกับคะแนนว่าเราก็เปลี่ยนกันไปอยู่ไปไปม า, มาตลอดมาอย่างรู้ว่าไปศาลก็เคยอยู่ก็ไปไปมาจนรุ่นหลังๆก็ก็คอยวัดภาษีเข้าดูแลก็เลยไม่ได้ไปจากนั้นก็ไม่ได้ไปแต่กก็ยังมีความผูกพันกันอยนู่คือความเป็นมาค่ะว่าวันแม่วันนี้ แต่ดับอย่างพ่อเอยิ่งคือถ้าเป็นวันแม่แล้วเรานึกถึงบุคคลที่เป็นต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของพวกเรานั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลวงพ่อนะ่ยอยู่กับโยมแม่ทั้งสิบกว่าปีก็ถือว่าโออ่านแต่พระพุทธเจ้าของเราอยู่กับแม่กี่วันพวกเรารู้อยู่กับโยมแม่กี่วันไม่อ่านประทะประวัติกันเลย อยู่กับแม่กี่วันมีโอกาสอยู่กับแม่เจ็ดวันพระพุทธเจ้าของเราเนะะาะหลัจะไเมียโยแม่แล้วก็กลับไปที่เดิมคืโยแม่ของพระพุทธเจ้ากัพุทธมารดานะเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นพุทธมารดาอย่างเดียวไม่มีใครร่วมท้องร่วมอุทธรกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจริว่าการประสูดการจัดสรุ้การบริบาลกับพระพุทธเจ้าเนะี่ยป่าทั้งนั้น คือเจอป่าคือเป็นต้นแบบของพระป่างแทศหลังจากนั้นเจ็ดปีพรนศาที่เจ็ดยังได้ปวดคืธรรมดาเห็นไหมคือต้นแบบขนาดพุทธเจ้านาะอยู่กันยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เลื่มตาเมื่เจ็ดวันท่านอย่างนึกถึงแม่ไี่คือบุคคลตัวอย่างพุทธเจ้าของเราแล้วเราอะอยู่กับแม่ชัว่วนาตาปีดูโชคดี พู้จ้างเราเจ็ดวันเองนะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยปีที่ไปพบแม่อีกทีก็อายุสี่สิบสองแล้วอายุสี่สิบกวาเป็นแม่บนสวรรค์ได้ไปโปรดจึงเป็นที่มาของอภิธรรมนี่คือเกับไปโปรดมดารดากุฏิโพธิมารดาแล้วจากนั้นก็เทวดาทั้งหลาย พอพลอยไดอัานในส่งไปด้วยก็อยู่ชั้นดาวดึงถ้าสูงไปกว่านั้นยศแม่ท่านอยู่สูงกว่าแต่เงินเทวดัาข้างล่างก็ขึ้นไปไม่ได้ก็จะอยู่ชั้นดาวดึงเข้าไปมหาสุโปรดพุทธธรรมดาเดือยอภิธรรมนี่คือน้ําใจนี่คือต้นแบบของพวกเราทั้งหลายโดยจะพึ่งขบาจารย์ก็เช่นเดียวกันที่หลายองค์หลายท่านส่วนใหญ่แล้วบ้านปลาจะเอายศแม่มาดูแลเอาเจใส่ แม่เป็นลูงตามหาบัวดูพี่จากก็ออกมาดูแลพอใจใสคือคนตนแบบคนตัวอย่างวันนี้เป็นวันแม่เลยเพราะแม่แบบของเราคือพระเจ้าแล้ววันนี้เป็นวันแม่ก็เป็นวันพระด้วยเป็นผู้มีบุญเป็นอย่างนี้ม่ยงใกล้กับวันพระหรือวันพระใกล้เคียงเป็นวันคล้ายวันมรรภาพวันตายวันเกิดคนมีบุญเราสังเกตไหม จะเป็นลักษณะอย่างนี้จะไปก็ดีก็เกิดไปก็ดีจะดับก็ดีจะเป็นเรื่องขใกล้เคียงกับวันพระเป็นเรื่องไปถูกตรงข้ามกัคนที่ไม่ดีมันก็จะขึ้นใกล้วันพระเหมือนกันนะแต่คนสติไม่ดีเนี่ยเวาใกล้วันพระอาจจะเริ่มเป็นละมันจะตรงข้ามเรื่องจริงต้องไปว่าละใกล้วันศีลใกล้วันพระอะไรอ่ะคออาการอ่ะใช่ไม่ทราบเหลยเกิดอะไรขึ้น อันที่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ทราบใจเหตุของคืออะไรเต็มอะไรก็ตามมันไี้เป็นวันแม่หรือเป็นวันพระที่จริงครับว่าวันพระเนี่เราหน่าอยากนึกถึงพระอะไรเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรัตนใจเจ้าวันพระตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วแต่พระองค์ก็คําชับสั่งเอาไว้ว่าเมื่อเราไม่อยู่แล้ว คือศาสดาไม่อยู่แล้วตาตาคดไม่อยู่แล้วก็คือทำวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอา จ, จารย์เป็นศาสนาของถือเพราะนั้นวันพระนี้ครูของเราก็คือพระธรรมแล้วก็วิ น, นัยนี่คือผู้นําของเราอย่างแท้จริงในยุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้สึกว่าเระตั้งใจนึกถึงที่จ้าึกถึงให้นึกถึงธรรมนึกถึงวิ น, นัย แปลว่าอะไรให้เรามีธรรมหรือปฏิบัติธรรมแล้วก็มีวินยัยแค่นี้ก็เชื่อเราปฏิบัติตามพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่อยู่แล้วเดี๋ยวสิ่งนี้คือประจักษ์ปยาญที่พวกเราทุกคนจะต้องย้ำเน้นให้ความสำคัญมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะอันนี้คือสิ่งที่เราพ่อเราป่าเอาไว้ถ้า พวกเราทำก็ไม่เอาวิันก็ไม่เอานะเราจะเชื่อว่าขอรบและทำตามคำสอนของพุทธองค์ได้อย่างไรดันก็แปลว่าเราลืมลืมพ่อลืมแม่ลืมจริงๆไม่เอาใจใส่ลูกที่รืมพ่อรืมแม่เขาเรียกว่าอะไรเออลูดไม่เอาใจใส่พ่อแม่พ่อแม่โดยทางธรรมส่วนพ่อแม่ที่แท้จริงในทางโลกเราไม่ว่ากันลนะ เราเราต้องปฏิบัติบูชาเป็นประจำอยู่แล้วแต่พ่อแม่ในทางธรรมเนี่เเรื่องเราจะต้องเอาใจใส่มากขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ในทางธรรมนั้นท่านมีแต่ให้ท่านไม่เคยคิดที่จะประโยชน์จากพวกเราเช่นกันแม่ในทางโลกก็เช่นเดียวกันไม่เคยคิดที่จะเอาใจจากพวกเราเลยแม่นั้นก็อย่าเที่ลราของตนคือคุณสมบัติของแม่ที่แ ท, ท้จริงของแม่ทุกคน จะต้องมีเมตตาต่อลูกถ้าไม่มีเมตตาเลี้ยงลูกไม่ได้ในคุณสมบัติของแม่พวกเราในตาถ้าจะเป็นลูกนอนทุกคน่ะถึงแม้ท่านจะอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามเราจะรักแค่คังแคชอรอาบแคงไหก็ตามความเป็นแม่ความเมตตาต่อลูกต่อเราของเราต้องระลึกนึกไว้เสมอโดยพระคุณของท่า น, นการปฏิบัติอุชาเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นการบูชาคุอย่างน้อยที่สุดถ้าใจเรายินดีจะรยืยอรอนตามทำวินัยคําว่ า, ำวาทำกับวินยัยไม่ได้ไปเฉพาะกับพระอย่างเดียวเท่านั้นวินัยคือกฎกติกราระเบียบข้อบังคับก็คือศีล น, นั่นแหละถ้าเราอยู่มีคนเป็นคนมีศีลมีธรรมต้องย้าว่ามีนะไม่ใช่รู้จักแต่คนรู้จักศีลเยอะคนรู้จักธรรมก็เยอะแต่ไม่ได้แปลว่ามีศีลมีธรรม ถ้าคนเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ใช่แค่รู้จักรู้จักศีลรู้จักธรรมอันนี้กันใช่ไม่ได้ถ้าเป็นคนมีมีศีลมีธรรมกอทําำอินทรียบุญญเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรจะสํานึกสําเนีจอันนี้เป็นวันต้นแบบวันตัวอย่างคือเปนแม่ของชาติคือพระพันตีหลวงตอน 7, 5, 5, ปี175ปัจจุบันก็67 ก้า2กันษาถือว่ามีประชชนที่อายุยืนยาวนานคนหนึ่งถือว่าตวนแม่แม่ของชาติวันแม่แห่งชาติเย็แต่ว่ายึดลืมแม่คนอยู่ใกล้ๆตัวเราทำให้เรามีในวันนี้มีทุกอย่างในวันนี้ได้ก็เพราะเราแม่ร่างกายที่เป็นรูปธรรมที่เราได้มาก็เพราะว่าโยมแม่จนมพ่อปุัวให้มา เคอธิบายอยู่เสมอวะ่านี่คือมรดกที่แท้จริงเอามราดกที่เป็นแบบดาบมรดกแบบโลกโล ก, โลกคือธาตุสี่ดันห้าเนี่ยพยายามทําให้เป็นมรดกธรรมให้ได้เพราะมรดกโลกนั้นสิ้นแล้วสิ้นเลยแต่มรดกธรรมนี่ยมันไม่มีีสิ้นหลวงพ่อเทตถึงเขียนอะไรอบอกสิ้นโลกเหลือธรรมเห็นไหมเมื่อเราสิ้นโลก คือสิ้นความเป็นแบบโรกๆแล้วลร่างกายถ้าเสียคันห่างเรียกว่าสิ้นโลกแต่ทำนม่ไม่เกิดขึ้นเลยเนยมันก็ไม่มีทำแต่ถ้าสิ้นโลกแล้วยังมีทำอยู่มีทำอยู่ในจิตใจของเรากกเปกติยัอยู่เนี่ยถือว่าได้คําไรเป็นลูกที่เป็นอภิชาตบุตรเป็นลูกที่ยิ่งกว่าลูกขึ้นลูกที่ดีขอ่าพ่อแม่เราควรจะเป็นเช่นนั้ น, นวันสําคัญอันนี้เรามาน้อมเราลึนึกถึงคุณของคุณแม่ ปูกเนิร์ดของรเราไปเพราะอันที่ที่เราสวดในวันนี้ไฮไลท์ที่สําคัญคือถ้าเป็นงานวันเกิดเมื่อใคร ก, ก็ตามท่านนิยมสวดธรรมจกักรเพราะธรรมจกมักรมาเป็นวันเกิดเราสองอยู่เป็นอุปถัมภ์คนแรกในโลกก็ถือว่าเป็นวันเกิดเหมือนกันแล้วก็วันเกิดอ น, นั้นต์ผู้ชาวพาราณาถึงขันท้าที่ตัวเรามีอยู่นี่แหละ คือรูปเวทนาสัญญาณสังขารสัญญาณพรากรห้ากันที่สองก็เช่นเด็ยกันจนคนที่เข้าใจรู้เรื่องคืออันทั้อัญญาโกฏัญญาคือพรามในพรามร้อยแปดอันนั้นตอนนั้นก็นลมหายได้จากหมดแล้วโดยแต่กันคนทัญญาคนเดียวที่วปรามนั้นแล้วก็เป็นประสบความสําเร็จในการแสดงธรรมครั้งแรกห้าคนก็ได้คนเดียวอนนั้นก็ถึงพระรัชนาใจเนไ เห็นพุทธเจาแสดงธรรครั้งแรกก็ห้าคนฟังแค้าคนระดับพุทธเจ้าพวกเราฟังเนี่ยว่าเยอะถืว่าเยอะแล้วผลของการฟังธรรมนั้นแต่ว่าผลของการฟังธรรมทำไมได้คนเดียวอีกกี่คนได้ถึงพัถนาใจก็เพราะว่าบารมีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทุกคนธาดย้อนไปถึงในอดีตชาติ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าท่านั้นแม้แต่พุทธมารดาก็เช่นเดียวกันที่พูดมาข้างตดนก็ได้อธิษฐานต่อกันไหวไม่รู้เกี่ยวกับกันแล้วว่าเป็นแม่เป็นลูกกันขอเป็นพุทธมารดาคือแม่ของพระพุทธเจ้าอันนั้นภารกิจของท่านคือมาเพื่อประสบกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็กลับที่เดิมนีนคกก่คือภารกิจคือชมแม่คือพุทธมารดาไมีใครเกิดร่วมท้องรูปอุทธร แต่ว่าไม่ได้บังเอิญเกิดจากความตั้งใจเกิดจากแรองอธิษฐานเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญคำคํำนี้แหละเราก็อย่ามาใช้กันทุกวันนะจะเราที่เราพบเจอกันก็นกนดีเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานเจอกันกิริยาณิมิตกันดีมันไม่ได้บังเอิญเพราะเราไม่ได้เกิดปาชาตินี้ชาติเดียวโดยชาติไหนๆก็แล้วแต่เราเกิดมาไม่รู้ที่พบกับชาตินะ เราเป็นมาสารพัเราไม่เป็นจิตจิตของเราน่ยเป็นมาสารพัแล้วเป็นมาสารพัเพศเพราะจิตไม่เกี่ยว ก, กับเพศเพศอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่รูปส่วนเพศของจิตมันไม่มีจิตไม่มีเพศไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงจิตไม่เคยตายโดยห้องคือจิตที่มบริสุทธิ์โดยจิตจะใกล้จะบริสุทธิ์จิตที่มีคือห้องกับกาม ก็จะไม่มีเพศเช่นพวกพรหมอันนี้เป็นต้นะฉะนั้นสินแปดมันก็อภิรรมจารยญาไม่ใช่การเองคือบริโภคการไม่มีเพราะพวกเขาจึงไม่มีเพศเพก็เมื่อไม่มีเพศก็ไม่มีการคือไม่มีการใช้บริการเรื่องการก็ไปต่อข้างบนสุทตาวาตคือชันที่เป็นบริสุทธิ์สะอาดหมดจดไปต่อข้างบนได้อันนี้คือสภาพระพุทธเดชเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวมันเป็นได้สารพัด ไปสูงไปต่ำเป็นดำเป็นขาวได้หมดอยากสืบเสดสังฆราชท่านตัดเอาไว้อละองค์อยู่แล้วก็ว่าจิตของพวกเราไปไปได้หมดไปสูงก็ได้ไปต่ำก็ได้อยู่ที่พวกเราว่าจะไปทางไหนแล้วเลือกหรือยังว่าจะไปทางไหนเราจะตั้งใจไว้ไหมว่าจะเลือกว่จะไปทางไหนหรือจะไปเป็ น, ปนรูปปู้นเอารูปปั้นคือทรงชาม ปัจจัยทั้งพมดรูทโธพุทโธหมดฤทธิ์หมแรงบทบุญหมก็กลับมาอีกกลับมาอันี้อาจจะไม่แน่ถ้าทรงฌานไม่ได้อาจจะต่ําก่าๆนี่มันเปความไม่แน่นอนนรื่องนี้มันไม่มีความแน่นอนอาจจะอยู่ได้เป็นพันเป็นหมื่นปีแต่มันไม่มีความแน่นอนแต่ถ้าเกิดก็เป็นเราเป็นมนุษย์ถือว่ากลางที่สุดแล้วมันก็เป็นมนุษย์ทำไมที่บอกว่ากลาง เพราะเป็นมนุษย์นั้นสามารถที่พัฒนาได้ไม่มีพบไหนที่พัฒนาได้เหมือนพบเราสูงกว่าเราพัฒนาไม่ได้ต่ำกว่าเราพัฒนาไม่ได้มีแต่เราตันนี้เป็นกลางที่จะเลือกจะจะเอาทางไหนเอา้แน่นอนว่าไปทางไหนถ้ามีเวลาให้เลือกเราสามปีห้าปีเจ็ดปีเจ็ชาติถ้าเราทําอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ต้องกลัวโอวาสนาเราก็มีวาสนาเราไม่เคยทําตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ชัดเจนแล้วว่า สามห้าเจ็ดเนี่ยเราได้แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีวัฒนาบารมีปืนทางอะไรมาก่อนเลยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปตั้งสรัทธาอธิษฐานไว้ทําให้มันบ่อยๆถ้ามันเยอะๆวัฏฏะสงสารอันนี้มันก็จะน้อยลงพบชาติที่เรามีอยู่การพบการเกิดการแก่จ็บป่ตายมันก็จะน้อยลงเปงไงม้างที่ทมาเวียนว่ตายเกิดกันเี่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ แต่เราก็ไม่เคยได้จํำของพวกนี้เราก็ยังยินดียังพอใจที่กลับมาเป็นวายตายเกิดอันนี้พคณะเราวันนี้เรานึกถึงต้นแบบของเราเ ค, รคือวันพระคือวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมวันพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์จึงเรียกตัววันพระวันพระธรรมพระวิในนี่เคื่อหมายคราบวันพระได้แท้จริงเราไม่สํานุกกันกลับมารู้ว่า วันไหนวันพระวันนี้ไปก็ได้ไหนไปก็ได้เจ็ดวันไปครั้งหนึ่งแต่เราเข้าใจตรงกันวะวันพระธทำมันไม่ในมันมีได้ทุกวันถ้าเราปฏิบัติได้วันไหนปฏิบัติธรมก็เป็นวันพระธรรมวันไหนเราพาทานศีลไม่ศีลก็เป็นวันพระวินัยมันก็จะมีวันนี้ทุกวันขอให้มีวันพระทุกวันไม่ใช่ว่าเจ็ดวันไปครั้งหนึ่งก็ค่อยมาตามโอกาสตามเวลาอยู่บ้านก็ทําได้ปฏิบัติได้ แต่เพียงเหลือคือเราต้องมีสัจจะคือความจริงใจเป็นสัจจะเป็นบารมีอย่างหนึ่งหรือเป็นสัจจะบารมีสัจจะที่ฐานก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมีสิบทัศดถ้าเป็นหยาบกลางละเอียดก็เป็นสามสิบหรือว่าสามสิบทัดจริงๆมันก็มีสิบเอา น, นั่นแหละแต่ว่าขยายความอีก ว, ว่าหยาบกลางละเอียดจยูเรียกว่าสามสิบทัดจริงๆมันมีสิบอันนั้นแหละ วันนี้จะเป็นวันที่เป็นวันต้นแบบมันตัวอย่างของพวกเราทั้งหลายโดยพยื่นคำพูดถึงคำว่าแม่เนี่ยต้องนึกพระพุทธเจ้าพระพุทธเทวีแสดงความกตัญญูกตเวทีว่าขนาดไม่ได้เห็นกันเลยลูปร่รงหนาตาตีนไงยังไม่รู้เลยท่านยังสนองคุณตอบทนหวงพ่อแม่นี่คือพระพุทธเจ้าพวกเรานักกลับหน้าไหวไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดในการที่บำเพ็ญทางใจพออยายามที่จะ ตัดภาระทุระทุกอย่างเป็นภาระให้มันน้อยลงขบวาทุกทุกองค์ล้วนออกจากบ้านเดิมบ้านเกิดก็ปลุกพันไปอยู่ที่อื่นเพื่อตัดปริโพธดคือความกังวลไม่ได้แปลว่าไม่รักพ่อไม่รักแม่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาถ้ากลับไปที่ที่เห็นนะพอดีมันได้อานิสงส์เยอะกว่าแต่ถ้าอยู่บ้านก็ปลุกพันกันไปบ้านกันมาไปไหนไม่ได้ วนเวียนพันกันไปพันกันมามันเกิดความผูกพันพระก็ผูกพันกับแม่แม่ของพัะก็พันไปไหนไม่ได้แต่ก็อุปทานหลักอาจะก็จมด้วยกันทั้งครูไปไหนไม่ได้นั้นก็บาดาจจนเป็นต้นแบบจึงเป็นตัวอย่างเขาพเราทั้งหลายในวันสำคัญอันนี้เพราะฉะนั้นจากใี้ไปให้เรานึกถึงวันที่เป็นวันพระพุทธเจ้าจริงๆคือเป็นพระธรรมและก็วินัยของพระพุทธเจ้า นักจันนี้ไปเพื่อใเก็บกุศลในทางใจใจพวกเรานั่งภาวนานิดหนึ่งเ ร, ริ่มต้นจากนึกถึงวันนี้เป็นแม่นึกถึงคนของคนแม่นรืองถึงกิยจอาการเรื่องึการพูดนึื่องถึงความอุปถัมภ์คำชูนึกถึงความเมตตาที่มีแต่เราที่ได้มาตอนนี้นึกถึงการศึกษาที่เราได้มาหน้าที่การงานทุกอย่างการอบรมสั่งสอนจน เป็นเราถึงขนาดนี้ก็เพราะแม่ถึงเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้เราเจริญจิตตะภาวนาเพื่ออุทิศเฉพาะเจาะจมความดีวันนี้ให้กับแม่ผู้่ให้กุญแจกับพวกเราทุกคนถึงแม้ท่านจะอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามก็อุทิศเฉพาะจาะจงนั้นเป็นการแสดงความกะตันยูกะตะเวทีสึ่งความกะตันยูความกะตะเบทีอันนี้แหละจะพิสูจนเครื่องพิส์ ดป็นเครรักษาตัวเราเองถ้าเราเป็นคนดีแล้วความดีก็จะตอบสนองเราด้วยสัจจะได้ฐานด้วยบารมีที่เราทำมาทั้งหมดนี้ด้วยกุศลที่พวกเราต้องหลายได้กระทามาเป็นทั้งหมดนี้จะเป็นพลว ะ, ป, ะปัจจัยตังแก่โยมแม่ถ้าใครที่โยมแม่จากไปแล้วก็ดยมวิญญาณของโยมแม่จะรับสูรับซับและอนุโมทนา จากนี้ไปจึมระยะเวลาประมาณสิบนาทีโดยมารให้พวกเราตัาง้งใจเจริญกิจตะภาวนาเพื่อน้อมระถึงและที่สาคัญเป็นการบูชาคุณบันแม่แห่งชาติในวันนี้